เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายบุญฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติาศาสนากิจ ของพุทธศาสนิาชนก็มีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมา ถ้าทำดีผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าทำชั่วทำบาปทำกรรมผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาเป็นหลักตายตัวแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าจะมาทรงตัดสรุสอน พระธรรมนี้ให้กับสัตว์โลกหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมย่อมเป็นไปตามกฎของเขาอยู่อย่างนั้นมาตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สั่งสอนสัตว์โลกและหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์ปริณิพานไปแล้ว กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครสามารถล้มล้างกฎแห่งกรรมนี้ได้แม้กระทั่งการละเวลาซึ่งโดยปกติแล้วจะกลืนกินสัตว์ทั้งหลายไปหมดแต่มีอย่างเดียวที่การเวลากลื่นกินไม่ได้ <c oughs> ก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เสื่อม ไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นอย่างไรในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อจึงได้มาวัดเพื่อมาสร้างกรรมดีทำความดีกัน ม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาก็ดีการฟังเทศฟังธรรมก็ดีเป็นการสร้างความดีเป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญ ทั้งในปัจจุบันชาติและในชาติที่จะตามมาต่อไปเพราะใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมาอยู่ชาตินี้เพราะมีร่างกายเมื่อร่างกายนี้แตกสลายหมดไปใจก็ไปต่อไปสู่ชาติใหม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในชาตินี้ และในชาติก่อนๆที่ยังไม่ได้สมผลก็จะเป็นเหมือนกับลมพัดใจให้ไปเกิดที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างขึ้นอยู่กับลมที่พัดนั้นว่าเป็นลมชนิดใดเป็นกรรมชนิดใดถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ไปเกิดในสุขติพบ ของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าถ้าเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปกรรมก็จะพัดให้ไปเกิดในทุกขติในอบายคือที่อยู่ของในรชานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกทั้งหลายนี่คือหลักแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กับพุทธศาสนิกชนและพวกเราก็มีศรัทธาความเชื่อเราจึงได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอขอให้เราปฏิบัติไปอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายอย่าเห็นคนอื่นที่เขาไม่ทำความดีแล้วจะทำให้เรา เกิดความท้อแท้คิดว่าทำไปแล้วไม่ได้ผลอะไรสู้ทำแบบคนที่เขาทำบาปกจะดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะคิดแบบสั้นๆคือคิดถึงผลที่ได้ในระยะสั้นเช่นคนที่ทำบาปทำกรรมเขามักจะได้สิ่งที่เขาต้องการ เขาชอบใครเขาก็ไปเอาเขามาเป็นภรรยาเป็นสามีโดยที่ไม่คำเดิงว่าเขามีสามีหรือภรรยาแล้วหรื อ, อยังเขาอยากจะได้อะไรถ้าเขาหามาด้วยความสุดจริตไม่ได้เขาไปช่อโกงมาไปลักขโมยมาเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแต่นี่เป็นเป็นสิ่งที่ ได้ในระยะสั้นแต่ระยะยาวนั้นจะได้สิ่งที่เสียหายตามมาเพราะใจนั้นเมื่อตายแล้วต้องไปใช้กรรมต่อผู้ที่ทำบาปทากรรมจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์จะไม่ได้ บรรุเป็นพระอริยเจ้ามีแต่ผู้ที่รักษาศีลห้านี้ได้อย่างบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถไปได้ดังนั้นขอให้เรามองระยะยาวอย่ามองผลระยะสั้น <c oughs> เพราะว่าผลระยะสั้นนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขม เวลาอมไปใหม่ๆมันก็หวานดีพอน้ำตาลที่เคลือบยาขมนั้นละลายหายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความทุกข์ที่ถูกความสุขเคลือบอยู่ก็เป็นอย่างนั้นที่เกิดจากการทำบาปทำกรรมเวลาทำบาปทำกรรมแล้วได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็ดีอกดีใจ แต่ไม่นานหลังจากนั้นแล้วก็จะมีความทุกข์ใจตามมามีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงอยู่ไม่เป็นสุขกลัวจะถูกจับไปลงโทษเห็นตำรวจเดินมาก็ตกใจกลัวทั้งๆ ท, ที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่าได้เราได้ไปทำผิดกฎหมายมา แต่ใจนี้มันจะเป็นเหมือนกับวัวสลังหวะมันมีแผลอยู่ในใจเวล า, มาแมลงวันมาแตะมาตอมนิดหน่อยมันก็จะมีความเจ็บปวดขึ้นมานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปได้ความสุขได้ความดีใจในชั่วขณะที่ได้มาพอหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมา หวาดระแวงหวาดกลัวมีความว้าวุ่นผุนมัวไม่มีความสุขดังนั้นขอให้เราพยายามทความดีกันต่อไปเห็นคนอื่นเขาชอโกงก็อย่าไปชอบโกงตามเขาเห็นคนอื่นเขาประพฤติผิดประเวณีก็อย่าไปประพฤติผิดตามเขาเห็นคนอื่นเขาเสพสุรายาเมา ก็อย่าไปเสดตามเขาขอให้เรามองคนดีเป็นตัวอย่างมองพระพุทธเจ้ามองพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ช่อโกไม่ประพฤติผิดตระเวณีไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาท่านจึงเป็นผู้ประเสริฐ ท่านจึงเป็นผู้ที่น่าชื่นชมยกย่องนับถือเลื่อมใสศรัทธาขอให้เรามองพระพุทธเจ้ามองพระอริยสงฆ์อยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป ที่จะละการกระทําบาปทั้งหลายละอบายามุกต่างๆนี่คือการเสริมศรัทธาให้เรามีมากขึ้นถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์แล้วศรัทธาของเราจะมีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้า หาพระธรรมหาพระสงค์เราก็จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เป็นมงคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการครบบัณฑิตก็ดีการไม่คบคนผ่านก็ดีนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆหรือเรื่องของหลักหรือกฎแห่งกรรมก็ดี ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้และจะเราจะคิดว่าไม่มีกฎแห่งกรรมคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ที่จะต้องไปเกิดไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมใช้อย่างมากก็ในชาตินี้ถ้าโกงแล้วถูกตำรวจจับก็เข้าคุกเข้าตารางไป ถ้าไม่ถูกจับก็รอดตัวไปพอตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นไปนี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงเพราะไม่ได้ยินได้ฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้รู้ได้เห็นกันแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับ สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็จะเป็นผู้ที่มีหูตาสว่างขึ้นเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากขึ้นเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ากรรมมีจริงเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง บาปมีจริงบุญมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตะสาคกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นมาจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราที่ยังเป็นเหมือนกับคนตาบอด ยังมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจนี้เป็นนมามธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อของเราจะเห็นได้ตาเนื้อของเราเห็นได้เพียงแต่ร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้ว ก็แก่ก็เจ็บแล้วเดี๋ยวก็ตายไปพอตายแล้วก็ไม่มีใครไปเอาเรื่องเอาราวกับคนตายอีกต่อไปต่อให้ไปทำผิดกฎหมายกี่กระทงก็ตามก็จะไม่มีใครไปตามเอาเรื่องอีกต่อไปเพราะเือว่าหมดสิ้นกันแล้วจบแล้วคนตายไปแล้วจะเอามาจับมาลงโทษไม่ได้ นี่เป็นเพราะว่าเห็นเพียงแต่ส่วนของร่างกายไม่เห็นส่วนของใจที่เป็นตัวกระทาที่แท้จริงร่างกายนี้เป็นเหมือนกับคนใช้หรือรูปน้องใจนี้เป็นเจ้านายเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการเช่นก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้ใจต้องสั่ง ไปที่ร่างกายก่อนว่าวันนี้มาวัดเมื่อมีความคิดมีคำสั่งแล้วก็มีการกระทําทางร่างกายมีการเตรียมตัวหาข้าวหาของต่างๆเ ต, ตรียมการให้พร้อมเมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางมานี่คือใจที่เรามองไม่เห็นกัน ใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถเป็นคนละส่วนกันไม่ได้มีความาใครก็ไม่ได้เป็นส่วนเป็นอวัยวะข้ออันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนเป็นสองส่วนแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่กระทบกับใจก็ได้หรือจะกระทบก็ได้ขึ้นอยู่กับใจเองว่าจะไปรับรับมันหรือไม่ถ้าใจที่ฉลาดรูด้จักแยกแยะกายออกจากร่างกายใจออกจากร่างกายใจก็จะไม่รู้สึกอะไรกับร่างกาย ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรใจก็เพียงรับรู้ไวเท่านั้นสักแต่ว่ารู้รู้ว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รู้ว่ากายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. เมื่อเกิดขึ้นใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรเหมือนกับคนขับรถเวลารถเสียคนขับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับรถเสียไม่ได้ทุกไปกับ รถเสียเมื่อรถเสียก็เอาไปซ่อมถ้ารถซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปก็ไปหารถคันใหม่นี่คือกายกับใจเป็นอย่างนี้เมื่อร่างกายตายไปใจก็ไปข้างหน้าต่อไปจะไปดีไปชั่วไปสูงไปต่ําก็อยู่กับ บาบุญที่ได้ทำไว้เหมือนกับพวกเราที่ได้มาเกิดในชาตินี้ใจของเราเมื่อแยกออกจากร่างกายในชาติก่อนก็มาหาที่เกิดใหม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าได้เคยรักษาศีลห้าไว้นี่เป็นอนิสงส์ของศีลของการรักษาศีลห้าสี่เลนะสุกติยันติ ศีลเป็นเหตุที่จะนาพาไปสู่สุขติสุขตินี้ไม่ได้ไปเพราะมีคนภาวนาให้เราไปเช่นเวลาตายแล้วคนเขาก็พูดว่าขอให้ไปสู่สุขติเถิดการพูดอย่างนั้นการขออย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ดวงวิญญาณ น, นั้นไปสู่สุขติ ดวงวิญญาณที่ออกจากร่างจะไปสู่สุขคติได้ต้องมีศีลเป็นเครื่องพาไปทำบุญให้ทานอย่างเดียวนั้นไม่พอทำบุญให้ทานไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสุขคติการทำบุญให้ทานเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง แต่ถ้าไปเกิดที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะยังไม่ได้รับอนิสงค์ของการทำบุญให้ทานนอกจากว่าถ้าไปเกิดแล้วเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าไม่ได้รักษาศีล ม, มีแต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียว ถ้าไปเกิดเป็นเดราชฉานเช่นเป็นสุนัขเป็นแมวหรือเป็นนกก็จะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม น, น่ารักก็จะเป็นที่อยากจะได้ของคนที่เขามีมีฐานะมีเงินมีทองเขาก็จะซื้อเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเพราะคนบางคน ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงสุนัขสวยๆแทนเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงลูกอย่างดีนี่เป็นเพราะอนิสงส์ที่ได้จากการทำบุญให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลจึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้รักษาศีลด้วยทำบุญให้ทานด้วยก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสมบัติข้าวของเงินทองถ้าไม่มีเองก็จะมีคนที่เขาชื่นชมยินดีในความสวยงามเจ้าจะเอาไปเลี้ยงดูให้ดังนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรม อย่าไปเชื่อพวกตาสีตาสาชาวบ้านต่างๆที่เขาบอกว่าบาไม่มีบุญไม่มีทำไปทำดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปนี่เป็นคําสอนของชาวบ้านของตาสีตาสาเพราะเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายเขาก็เห็นอย่างนั้นจริงๆ ก็เห็นคนโกงแล้วได้ดีก็มีเยอะแยะไปโกงแล้วได้เป็นนายกก็มีได้เป็นรัฐมนตรีก็มีได้เป็นสอสอก็มีนี่แต่นี่ไม่ใช่เป็นผลของของบุญของบาปอันนี้มันเป็นผลของการช่อโกงคนเ่านั้นการกระทำมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นช่อโกงแล้วก็ได้สิ่งที่ตนเองต้องการนั่นก็เป็นผลอย่างหนึ่งแต่ผลที่ทางศาสนาสอนนี้ไม่ได้เน้นไปที่ตรงนั้นแต่เน้นไปที่จิตใจเป็นหลักผลที่จิตใจจะต้องรับคือความสุขหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจและภพชาติที่จะตามมาต่อไปว่าจะเกิด ในพพที่สูงหรือในพพที่ต่ำจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เรื่องนี้คือเรื่องของกรรมอยู่ตรงนี้อย่าไปดูผลที่เป็นผลที่ไม่ใช่ผลที่แท้จริงเช่นสิ่งข้าวของเงินทองต่างๆลาภยศสรรเสริญสุขที่เราได้มา เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมีแต่เป็นความสุขแบบที่เคลือบความทุกข์เอาไว้หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ําตาลที่เคลือบยาขมความสุขจากลาบทดสารเสริญสุขนี้จะสุขเพียงเดียวเดียวเวลาได้มาก็ดีอกดีใจหลังจากนั้นก็ เกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความต้องการอีกเกิดความห่วงเกิดความกังวลเกิดความเสียดายอะไรอววรเวลาที่จะต้องสูญเสียมันไปเป็นความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ความความสุขมีนิดเดียวต่างกับการที่รักษาสิ์ เวลารักษาสีลนี้จะรู้สึกว่าลำบากใจทุกใจเพราะว่าใจนี้ไม่อยากจะรักษาต้องต่อสู้กันแต่เวลาได้รักษาแล้วใจก็จะสบายเช่นเห็นของอยู่ชิ้นหนึ่งอยากจะได้แต่ไม่ใช่เป็นของเราเจ้าของเขาเผลอวางไว้ในใจก็ต่อสู้กันแล้วว่าจะเอาอยากจะได้หยิบมา เลยดีไหมได้มาแล้วจะมีความสุขนะแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอามาแล้วมันมีความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องหวาดระแวงกลัวว่าเจ้าของเขาจะรู้เข้าทีหลังหรือคนอื่นเห็นแล้วไปบอกเจ้าของก็จะถูกเขามาทวงถูกเข้ามาจับเอาไปเข้าคุกเข้าตารา พอคิดอย่างนั้นได้ก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าถึงแม้ว่าจะเสียใจที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากจะได้ไม่มีความสุขแต่ก็เดี๋ยวเดียวแต่กลับจะมีความสุขสบายใจตามาทีหลังคือไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาด่ามาว่ามาจับไปลงโทษนี่คือ เรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะได้มาหรือไม่จึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและดูที่ใจของเราเป็นหลักดูถึงอนาคตที่ใจของเราจะต้องไป ใช้เวรใช้กรรมเป็นหลักจะไปตกนรกหรือจะไปขึ้นสวรรค์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาฉานนี่คือผลของบุญกรรมที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนไม่มีใครหักห้ามได้และลบล้างไม่ได้ด้วยทําบาปทํากรรมแล้วไปล้างกรรมเก่าไม่ได้เช่นบางคนคิดว่าสะเดะาะเคราะห์ได้ เว่าชีวิตตกต่าก็ไปทําบุญสะเดาะเคราะห์กันการทําทบุญนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จะไม่สามารถไปลบล้างบาปกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตได้เพราะมันผ่านไปแล้วกรรมที่ทํามาแล้วมันอยู่ที่เมื่อวานนี้แล้วไม่มีใครกลับไปที่เมื่อวานที่ได้มีแต่วันนี้ที่เราจะทํา กรรมที่ดีได้ไม่ทำบาปได้เช่นถ้าเรากลัวที่จะต้องใช้บาปใช้กรรมวันนี้เราก็อย่าไปทำบาปเราก็ไม่ต้องไปสะดาะเคราะไมในภายหลังเพราะสะดอก็ทำอะไรไม่ได้นะจึงขอให้เราจงมีความแน่วแ น, วแนว่ต่อกฎแห่งกรรมแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติตัวเราเอง ให้อยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติคือให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงและให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ไม่สิ่งที่ทำให้ใจไม่บริสุทธิ์นี้แลเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจคิดไปในทาง ในการทำบาปเช่นความโลภความโกรธความหลงนี้จะทำให้ใจเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเวลามีความโลภ ก, ก็จะคิดหามาด้วยวิธีการต่างๆเวลามีความโกรธก็จะคิดระบายความโกรธด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ดีเวลามีความหลงก็เช่นเดียวกันก็จะคิดไปกระทำในสิ่งที่เสียหาย เช่นคนที่เห็นผิดเป็นชอบเวลามีความทุกข์มากๆก็คิดว่าถ่าตัวตายแล้วจะดับความทุกข์ได้นี่ก็เป็นความคิดที่ผิดคิดไปแล้วทำไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์มันดับไปแต่กลับทำให้ความทุกข์มีมากยิ่งขึ้นเพราะความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่รู้อินโอเอเน ไฆ่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ความทุกข์ในใจมันหมดไปได้ความทุกข์ในใจมันเกิดจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงถ้าอยากจะให้หายหายทุกข์ก็จะต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงเช่นเวลาเสียใจจนกระทั่งทิศฆ่าตัวตายก็ต้องสอนใจว่าพะเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ พอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้จากเราไปเราก็กอดความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปเราต้องสอนว่าเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็อยู่ได้และหลังจากที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เลกคนนี้คนนั้นคนนี้จากเราไปแล้วก็ยังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ใหม่ให้เรา อยู่ได้อีกถ้าเรายังถ้าเรายังไม่เข็ดเราก็หาใหม่ได้หรือว่าถ้าเราเข็ดแล้วเราก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างท่านก็อยู่คนเดียวท่านก็มีความสุขได้และมีความสุขมากกว่าเราเสียด้วยซ้าไปเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐเป็นปรมังสุขขังเป็นบาลมสุข เป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยนี่คือการชำระใจของเราต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเมื่อไม่โลภไม่หลงไม่โกรธใจก็จะไม่สั่งการให้ร่างกายไปทำบาปทำกรรมจะสั่งให้ทำแต่ความดีเช่นวันนี้ ใจก็สั่งให้เรามาทำความดีกันเพราะใจของเรานั้นได้ได้ได้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงของเราไว้ไม่ให้ ม, ออมันออกมาเพ่นพ่านมันจึงไม่ได้สั่งให้เราไปเล่นการพรนันไปเข้าบ่อนไปเสพสุรายาห ม, มาลจึงของให้เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงนี้ขอให้เราหมั่นทำอยู่เรื่อยๆพยายามต่อสู้กับมันเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภตามเวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตามเวลาหลงก็อย่าไปหลงตามถ้าไม่รู้จักวิธีก็ขอให้ฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วจะรู้จักวิธีต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลง จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่เชื่อมั่นต่อกฎแห่งกรรมและดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขและความเจริญทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้